ที่จริงรายการสำคัญนะก็ผ่านไปแล้วนะคือรายการมืครู่นี้เหนะ <c oughs> ็นสีหน้าของพวกเราแล้วนี่รู้สึกว่าเปลี่ยน ไ, ได้วยไฟคงอยากจะกลับบ้านเพื <c> ่อ <oughs> ที่จะได้ไปทำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ที่ได้รับแรงบันดาลใจนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่มาในช่วง 3-4 สี่วันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อน ที่มากมายก็คงจะมีแรงบันดาลใจเกิดไฟที่อยากจะไปทำหลายๆอย่างนะในชุมชนของเราในที่ของเรานะอันนี้ก็เป็นเป็นอนิสน์หรือเป็นผลจากการที่เราได้มาเจอเพื่อนหรือคนที่ได้คิดคล้ายๆกันนะไฟที่อาจจะแรงกล้าอยู่แล้วนะพอได้เจอไฟของเพื่อนเพืนทั้งที่ อ่อนยาวแล้วก็ที่มีอายุก็จะยิ่งเกิดความประตือรือร้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่จะพูดกันตอนนี้ก็คงจะไม่ใช้เวลาไม่นานให้ในายใจได้ว่าผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพระก็ต้องไปฉันเหมือนกันหลายสองสมาธิผ่านมานะพวกเราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มาก เราได้พูดถึงความสำเร็จเราได้พูดถึงสิ่งที่เราภาคภูมิใจเราได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้เมือกัรมาไคร้ควรวิเคราะห์ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะสิ่งที่คำที่เราได้พูดกันมากนะก็คือคำว่าการเรียนรู้อาจจะลองจากคำว่าสุขแท้ด้วยปัญญา การเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้พูดกันเยอะแล้วก็เป็นความตั้งใจที่เราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะสำคัญมากมา ก, กว่าการสอนการสอนนี่เราไม่คยได้ยินในงานนี้เท่าไหร่เราให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้ เพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนสอนแต่บทีมีคนสอนแต่การเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นเราก็เจอบ่อยไปครูสอนศิลธรรมสอนมากมายแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องศิลธรรมอาจจะเกิดขึ้นน้อยมากหรือว่าการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะสอนกันมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าการเรียนรู้ในเรื่องวิชาภาษาอังกฤษนี่น้อยมาก แต่ว่าแม้ไม่มีคนสอนแต่เราก็สามารถกาเรียนรู้ได้ต้องเยอะแยนะเหมือนกับที่เราเรียนรู้จากดารากเก่าหลีโดยที่ไม่มีใครสอนนะการเรียนรู้เนี่ยสำคัญกว่าการสอนและถ้าเราเอาการเรียนรู้เป็นหลักเนี่ยบางทีแม้ไม่มีใครสอนเลยเราก็เรียนรู้ได้แล้วก็อย่างที่เราได้ได้แลกเปลี่ยนกันมานะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไหลาย ได้หลายอย่างเกิดจากการที่เราได้สัมผัสคนที่เขาประทับที่เรา ท, ท, ที่น่าประทับใจคนที่เขาปฏิบัติกับเราด้วยความใส่ใจด้วยความรักมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาเมื่อเราได้พบกับคนที่เขาให้ความไว้วางใจเรา เราก็เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็อยากจะทำความดีด้วยหรือเวลาเราได้ทาความดีได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันก็กระตุ้นให้เราอยากจะทาความดีมากขึ้นเลยเพราะเมื่อเราได้เห็นคนที่เราช่วยเขาเขายิ้มให้เราเขาขอบคุณเราเขาชมเรามันก็ทำให้เกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจ แต่ไม่ใช่แค่นั้นยังทำให้เราเห็นตัวเองในมุมใหม่รวมทั้งได้เข้าใจความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นว่ามีความสุขบางอย่างที่มันประเสริฐกว่าการได้มีการได้เสพการได้บริโภคเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินแลกเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าสามารถจะยั่งยืนไปนานอาหารที่อร่อยกินไปแล้วก็อร่อยประเดี๋ยวประดาวไม่นานมันก็่ายออกมา แต่ว่าความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำความดีมันจะอยู่กับเราไม่ใช่แค่ข้ามวันข้ามคืนอาจจะอยู่ยั่งยืนนะไปจนตลอดชีวิตเลยก็ได้หรือการที่เราได้ทำสิ่งที่ภาคภูมิใจด้วยความยากลาบากและเรามีความสุข อย่างตัวเองเนี่ยได้เคยไปเคยไปทาค่ายที่จังหวัดขอนแก่ น, นเมื่อสักเกือบ35ปีที่แล้วเป็นค่ายที่ลำบากมากน้ำคำ ว, ว่าน้ำใสๆไม่เคยได้กินกินแต่น้ำขุ่นๆเพราะน้ำมาจากจากบอ่อน้ำในในกลางทุ่งนาเขาเรียกว่าน้ำสร้างมาเหมือนน้ำที่ มีนมผสมอยู่ด้วยนะแต่ว่าล้วก็ทะเลาะ ก, กับเพื่อนในค่ายแต่ว่าผ่านมาสาสปีแล้วก็ยัง ม, มีความรู้สึกปลื้มใจมีความติดติดมีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำในสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้แม้ว่าอยากจะร้องไห้หลายครั้งแต่ว่าก็ผ่านมาได้ ความสุขจากการไปเที่ยวความสุขจากการสนุกสนานมันก็ไม่ยั่งยืนตรึงใจเท่ากับความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เราได้สัมพัสกับคนได้สัมผัสกับเพื่อนได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการทำความดีคนเขาให้โอกาสเราเขาไว้ใจว่าเราสามารถจะทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้แล้วก็รวมถึงการที่เราได้ทากิจกรรมบางอย่างที่มีคุณค่าถ้าซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือ เราเรียกรงทั้งมดว่าเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะไม่มีคนมาบรรยายไม่มีคนมาพูดไม่มีคนมาสอนว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแต่เราทาแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะย้าเลยว่ามันจะ มันไม่เป็นไม่เป็นไม่จะเป็นต้องอาศัยครูก็ได้ไม่เป็นต้องอาศัยตำราก็ได้การเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสไม่จะเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนที่สบายแต่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายในที่ที่ลาบากหลายคนก็ได้พูดว่าเนี่ยไปที่ที่ลาบากแล้วเนี่ยมันได้เกิดการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่นแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองโดยพอการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนี่สําคัญมากเพราะาถ้าเรามีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองจะเห็นคุณค่าของตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นหรือเห็นสเกลยภาพของตัวเองรวมทั้งรู้ว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยยังไงก็ทุกน้อยกว่าคนอื่นเรายังโชคดีที่เราเคยทุกเพราะว่าเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนี่มัน กลายเป็นเรื่องคลิปจอยไปเลยเมื่อเจอคนพิการ<ม>เขายิ้มได้ถ้มีความสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโความทุกข์ของเรามาเล็กน้อยมากไอ <basin> สิ่งเหล่านี้แหละมันมันเกิดจากมันคือการได้รู้จักตัวเองซึ่งสามารถจะผ่านเกิดขึ้นได้จากกระบวนการเรียนรู้และถ้าเรารู้จักตัว เ, เราเองแบบนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนแล้วตรึงใจเราไปอีกนานแล้วก็สามารถจะทาให้เราเนี่ย สร้างสรรค์สิ่งดีๆได้มากขึ้นสิ่งหนึ่งทีอ่อาจจะพูดกันได้น้อยนะแต่ว่าแทรกอยู่ในการาการสนทนาของพวกเรานะก็คือการเพิ่มพลัง ให้กับตัวเราหรือการเพิ่มพลังให้กับผู้อื่นภาษาอังกฤษเขาเรียกคนี้ว่าเป็น powerment กระบวนการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากหนึ่งสร้างความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันสร้างบรรยากาศที่โปรง่งที่ที่ไว้ใจกันสามารถเปิดใจกันได้เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ และนอกจากนั้นเนี่ยมีกระบวนการที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกมีพลังขึ้นมามีพลังขึ้นมาจากการที่เราเซอร์เราได้ทําความดีนะบางทีเขาก็ทําด้วยการอ่าก่อนจะเลิกก่อนก่อนจะอบรมแต่ละวันแต่ละวันก่อนจะเลิกกันเราก็มานั่งปิดยืนปิดวงกันแล้วก็พู ด, ว, ว, นนด ว, นะว่าวันนี้เราทําอะไรดีบ้างส่วนใหญ่เราไม่คยนึกนะว่าวันนี้เราทําอะไรดีบ้าง แลวอาจจะนึกว่าวันนี้มีใครทำอะไรไม่ดีกับเราแต่เราไม่ค่อยได้นึกว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างและวันนี้มีคนอื่นเขาทำดีอะไรกับเราบ้างการได้พูดเชนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มพลังให้กับแต่ละคนเพราะบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองได้เคยทำความดีอะไรไว้บ้างหรือว่าเอาแต่จ้องจับผิดตัวเองตลอดเพราะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีคุณค่าหรือการที่เราได้มาพูดถึงความสาเร็จ สิ่งที่เราได้ภาพภูมิใจอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาโดยเพราะถ้าเป็นเรื่องการทําในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็เป็นการหล่อเลี้ยงพลังแห่งมโนธรรมหรือความฝ่ายดีในใจเราอยากจะย้าอีกครัง้งนึงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีความฝ่ายดีมีพลังฝ่ายบวกอยู่ในจิตใจทั้งนั้นมีน้ําใจมีความเสฉยสระแต่ว่ามันอาจจะถูกปิดถูกครอบด้วยความเป็นตัวด้วยอคติ ด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะช่วยกันปลุกดึงเสริมสร้างพลังฝ่ายดีในตัวในใจเราเนี่ยให้มีให้มีให้มีความเจริญงอกงามขึ้นก็สามารถเจาชนะความเห็นแก่ตัวได้บางทีการมีใครสักคนชมเรามันก็ทำให้เราอยากจะทำความดีมากขึ้นมี มีคนนึงเขาไล่ฟังเขาทําหน้าที่เนี่ยเป็นทําหน้าที่ตรวจคุณภาพของปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันมนี่มีชื่อในเรื่องของห้องน้ําสะอาดนะแล้วเขาก็ว่างๆเขาก็ไปดูตามห้องน้ําวันมีห้องมีปั๊มน้ํามันเพาะที่หนึ่งเนี่ย ห้องน้ำก็สะอาดแต่ว่ายังไม่สะอาดตามมาตรฐานที่สูงของบริษัทก็เลยเดินไปคุยกับคุณป้าที่ทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็พูดกับคุณป้าว่าป้าเมื่อกี้เข้าห้องน้ำเนี่ย ม, มีลูกค้าเข้าชมว่าห้องน้ํานี่สะอาดอยากจะทราบว่าป้าทําความสะอาดห้องน้นําอย่างไรคือต้องการเช็กว่าทําตามขั้นตอนของบริษัทหรือเปล่าเพราะบริษัทเนี่ยมีขั้นตอนมาแต่แทนที่จะ ตำหนินะเขก็พูดวันเนี้ยมีหมีลูกมีลูกมีลูกค้าชมป้าก็พูดวันเนี้ยทำคำทำทำความสองนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างแกก็เล่าๆไป ก, ก็ถูกต้องตามขั้นตอนของบริษัทแกก็เลยชมว่าป้านี่นะขยันจังนะพูดไม่ทันไรเนี้ยป้าแกก็ขอตัวขอตัวไปทไรรําอนะไรซ้ำไหม ปรตัตกลับไปทําความสะอาดห้องน้ําให้มันดียิ่งขึ้นให้มันเอื่อมอ่อกนกว่าเดิมนะป้านี่ทีแรกแกก็จะทําแบบขอไปทีเพราะไม่รู้ว่มีใครใส่ใจหรือเปล่าแต่พอมีคนชมนะก็เกิดกําลังใจนะและที่ชมก็ไม่ได้เป็นชมการเป็นการชมแบบเสียแซงนะเพราะว่าสิ่งที่ป้าจะพูดมามันก็ตรงตามที่บริษัทเขากําหนดนะแต่ว่าคําชมอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้แกเกิดกําลังใจ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะที่จริงตัวอย่างแบบนี้อาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีพลังเท่ากับที่พวกเราหลายคนได้พูดนะว่าอาจจะเคยเป็นคนเกเรนะเพราะไม่รู้ว่าจะเด่นจะดังทางไหนไหนจะไหนไหนใๆก็ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ขอขอให้ดังในทางไม่ดีก็แล้วกันดังทางดีไม่ได้ก็ดังทางชั่วก็แล้วกันแต่พอได้มาร่วมกิจกรรมมีคนชื่นชม เห็นความดีของเราก็เกิดกําลังใจพลังความดีในใจมันก็เลยเบ่งบานขึ้นมาสามารถเจาชนะความเห็นแก่ตัวได้ก็เลยไปทําความดีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สามารถจะทําให้เราเนี่ยมันเป็นพลังในการขับเคลื่อนคนได้โดยที่บางทีอาจจะดีกว่าการตําหนิการดา่าหรือการขู่ให้กลัวความดีฉันใดความสุขก็ฉันนั้น ความสุขก็อยู่ในใจเรามันมีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่ว่าอาจจะ เ, เป็นเป็นเสมือนต้นกล้าเล็กๆแบบบางแต่บางคนก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีความสุขภายในนะคนที่ยังมีความสวงตัวยังเหมือนกับต้นกล้าก็ต้องอาศัยแรงกระตุ้นแรงคําชักชวนหรือว่าแรงบันดาลใจจากภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย สามารถจะจับประเด็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ได้เนี่ยถึงแม้เราจะกลับไปที่บ้านและเราจะไม่ได้ไปเข้าค่ายไม่ได้เจอเพื่อนๆนอี่ถ้าเรานำเอาประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาในช่วง 3-4 วันนี้เนี่ยไปใช้การเรียนรู้การเติบโตและความสุขก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพรชีวิตจริงๆเนี่ยคือการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่ไม่จะเป็นต้องอาศัยครูก็ได้ไม่จะเป็นต้องอาศัยห้องเรียนก็ได้โลกก็คือห้องเรียนของเราโลกก็คือหมหาวิทยาลัยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรารวนเป็นข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ให้เป็นผู้ที่มีสุขแท้ด้วยปัญญาได้ ไม่จาเป็นว่าต้องรอเข้าค่ายนะถึงจะเกิดการเรียนรู้พวกเราถ้าจับหลักได้แล้วเนี่ยประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าในบ้านในโรงเรียนในที่ทำงานล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาและนำพาเราให้เข้าถึงความสุขได้แม้ถูกตำหนิเราก็สามารถได้ประโยชน์จากคาตาหนินั้นได้ แม้เราจะทํางานล้มเหลวเราก็สามารถเจรยนรู้จากความล้มเหลวได้มีคนหนึงก็พูดไว้ดีนะว่าความสําเร็จเนี่ยเกิดจากการที่มีประสบความสําเร็จเกิดจากการที่ตัดสินใจได้ถูกต้องมีวิจารณญาณที่ดีและการที่ตัดสินใจได้ถูกต้องก็เพราะมีประสบการณ์แต่ถามว่าประสบการณ์นี่มาจากไหนบ่อยครั้งประสบการณ์ก็มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด นะน่าสนใจนะความสาเร็จเนี่ยมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องความการตัดสินใจที่ถูกต้องมาจากประสบการณ์ประสบการณ์มาจากไหนประสบการณ์ก็มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดให้ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นและทำให้เราสามารถจะตัดสินใจได้ถูกต้องในเวลาต่อมาซึ่งนำไปสู่ความสาเร็จเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวความผิดพลาดเราสามารถเจรรู้จกความผิดพลาดได้ ไม่น้อยกับความสำเร็จเราสามารถเรียนรู้จากคาตาหนิไม่ได้ไม่น้อยกว่าคาชมความล้มเหลวความเจ็บป่วยก็สามารถจะเป็นบทเรียนให้แก่เราได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกขณะคือการเรียนรู้นะและอาารชั่าอาตมาอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้นาเอา เอาหลักการนี้นไปใช้ให้ถือเสมือนว่าทุกเวลานาทีของเราคือ ก, การเรียนรู้อุตรเวลาและสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจขายไปสู่สุดท้ายด้วยปัญญาสุดท้ายด้วยปัญญานี่เราก็คงข้องจำกันได้แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างการคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะ คนเราก็ต้องคิดถึงตัวเองบ้างแต่ว่าให้รู้จักคิดถึงคนอื่นบ้างแล้วคิดถึงบ่อยๆการคิดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับใครนะในที่สุดก็เป็นประโยชน์กับเราคนเราเมื่อคิดถึงผู้อื่นมากเห็นความทุกข์ของคนอื่นมากเราก็จะพบว่าความทุกข์ของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงเราจะมาชอบเล่าเรื่องน้องโยนะก็เล่ามาหลายงานแต่ว่าหลายคนอาจจะเพิ่งมาใหม่ไม่เคยได้ยินน้องโยเป็นเด็กชายเจ็ดขวบ วันหนึ่งป้าก็ชวนขึ้นซ้อมอเตอร์เข้าไปในมืองนะคะปรปฐมปรากฏว่าก็อุบัติเหตุรถชนรถมอตอร์ไละรถมอเตอร์ไซคพังป้านี่แขนหักแต่น้องโยนี่ขาเละไปข้างนึงระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลป้านี่ร้องอโอนโอยตลอดเวลาเลยแต่น้องโยไม่ร้องเลยจนกระทั่งถึงห้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จหมอก็เลยถามว่าทําไมน้องโย ไม่ร้องไห้น้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับเด็กเจ็ดขวบนะคิดถึงป้าคิดว่ากลัวว่าป้าจะเป็นทุกข์มากกว่า น, นี้ที่ทำให้หลาต้องมาที่กางน้องโยคิดถึงป้าไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่า น, นี้เห็นป้าร้องก็สงสารป้าก็เลยกดคมสกัดรั้นความปวดเอาไว้ ที่จริงความปวงของตัวเองกลายเป็นเรื่องเล็กเามื่อคิดถึงป้านะอันนี้เนี่ยคือประโยชน์ของการที่เราคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะเด็กเจ็ดขวบก็ทำไดนะ้มีนักศึกษาคนหนึ่งอายุประมาณไม่ถึง20นะชีวิตเนี่ยดูเหมือนไร้ค่าเพราะว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่ลุง วันวนหนึ่งก็เรียนไปตามหน้าที่เรียนจบก็ไปเที่ยวเที่ยวห้างวันนึงก็มีเพื่อนไปไปไปนวดเด็กเด็กเด็กกาพร้าเด็กที่ถูกแม่ทิ้งที่บ้านปักเกร็ดแกก็ไปเพราะว่าเพื่อนไปซัมเมอร์กันหมดเมืองนอกก็ไปนวดก็ไปเยี่ยมไปไ ป, ไปเล่นกับไปเล่นกับไปเล่นกับเด็กเด็กเหนี้ถูกทอดทิ้งไม่มีเพื่อน วันที่ไปเห็นเนี่ยเด็กวิ่งมาหาแล้วก็มาให้อุ้มแล้วแกอุ้มแล้วเนเด็กก็มีความสุขแล้วแกทำไปได้สองสามได้ได้ทําไม่ถึงเดือนรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยตัวมีคุณค่ามากไม่เชื่อตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่เชื่อตัวเองที่มีความรักกับให้คนอื่นได้แล้วเขาสึกว่ามีความสุขมีความเปี่ยม มีว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ว่างเปล่าเหมืนก่อน mm hmm. เขาบอกว่าชีวิข อ, องเขาเนี่ยสมบูรณ์ได้เพระเด็ก7จ็ดขวบชิดผมสมบูรณ์ได้พรเด็ก7จ็ดขวบสมบูรณ์เรื่องอะไรเขาก็มีเงินมีทองมีมีฐานะดีแล้วแต่เขายังสึก ข, ขาดขาดความรักขาดความสุขไม่รู้คุนข้าขงตัวเองแต่พอได้ทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเพื่อใครเลยเพื่อคนอื่นแต่ว่ามันทําให้เขาเนี่ยมีความเต็มเปี่ยมในความสุข เพราะสึกตัวเองมัคุ้ค่างัการที่ถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์ประการที่สองคือการไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียวแคนเราก็ต้องอิงวัตถุอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขจากจา ก, จากสิ่งอื่นได้ จากการทำงานจากการที่ได้มาสัมพันธ์กันได้มาเจอเพื่อนคอเดียวกันได้มาทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์มันก็มีความสุขได้นะนเหมือนกับนักศึกษาคนเมื่อกี้เนี่ยเขาทำไปเขา ก, ก็มีความสุขแม้ว่าเขาจะไม่ได้เที่ยวห้างแม้ว่าจะไม่ได้ไปเมืองนอกเหมือนเพื่อนแต่เขาอาจจะมีความสุขมากกว่าเพื่อนที่ได้ไปเมืองนอกเดียสัมเพราะเป็นความสุขทางใจแล้วความสุขทางใจนี่มัน มันยั่งยืนกว่าความสุขจากการไปเที่ยวความสุขจากการได้ไปเสพได้บริโภคข้อที่สามเนี่ยพึ่งความเปี่ยของตนนะอันนี้สำคัญมากมีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะเมื่อประมาณสักกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเกือบปีแล้วเนี่ยมันมีข่าหนึ่งมีคุณป้าเกาหลีอายุกวาสักหบ6ปปีจะเป็นแม่ค้าขายผัก เป็นข่าวเพราะว่าแกไปสอบใบขับขี่ประเทศเกาหลีนะแกสอบมาแล้ว770ครั้งสอบไม่ได้แกสอบเกือบทุกวันตั้งแต่ปี48จนถึงกุมภา52สอบมาแล้ว770ครั้งสอบไม่ได้เลยเป็นข่าวไปทั่วโลก ว, ว่ามีอย่างนี้ได้เหรอบอกกันว่าพอถึงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว ก็เป็นข่าวที่พ่อแกสอบได้แล้วครั้นี้ทราไหมว่าการสอบได้กี่ครั้งกีครั้งแกถึงสอบได้แกสอบ950ครั้งใบขับขี่ใบเดียวนี่นะคนธรรมดาเนี่ยสอบสามครั้งก็ท้อแล้วสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เสียเซลล์แล้วตายแล้วฉันไม่มีชาติที่ฉันคงสอบไม่ได้แกไม่ได้สอบร้อยครั้งเนะี่ยแกสอบเกือบพันครั้งเพรนี้เป็นสุดยอดของความเพียรเลย และทราเชื่อว่าที่แกสอบเนี่ยแม้สอบได้ร้อยครั้งแล้วไม่ได้เนี่ยไอการที่สอบตกเนี่ยมันไม่ทําให้แกท้อเลยคนเราถ้าเอาความถ้าเอาเอาความมั่นใจตัวนี่ไปไปผูกติดไว้กับผลสําเร็จเนี่ยป้าคนนี้แกท้อไปนานแล้วแกชื่อชาสาสุนคนเราเนี่ยถ้าเราเอาความสําเร็จไปผูกติดไว้กับเอาความสุขความภูมิใจในตัวเนี่ยไปผูกติดไว้กับความสําเร็จเนี่ยเราก็จะท้อเมื่อเราไม่สําเร็จ แต่ถ้าเราเอาความเอาความสุขเอาความภูมิใจไปผูกติดไว้กับความเพียรมันได้ผลไม่ได้ผลแต่เราทําความเพียรล้วก็ภูมิใจอันนี้ก็ตรงกับพระหมหาชนกนะพระหมหาชนกผู้เราเคยได้ยินใชนไในหลวงแต่งเอามาจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกพระหมหาชนกนี่มีตอนหนึ่งเรือแตกเรือแตกก็ลอยคอกลางทะเลพระหมหาชนกก็เลยว่ายน้ำมองไม่เห็นฝั่งนะว่ายไป7วัน7คืน บอกว่านางมนนีแม่ขลาร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นเทพารัก์ดูแลท้องทะเลเขาจะไปเที่ยวปาร์ตี้มาแล้วก็เลยลืมพอปาร์ตี้เสร็จเจ็ดวันรู้ว่ามีคนดีกําลังว่ายน้ํำลอยคอการทะเลก็เลยมาจะมาช่วยแต่อดไม่ได้สงสัยว่าทําไมพระมาชนกเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นฝั่งทําไมถึงว่ายไม่หยุดสักทีพระมาชนกก็ตอบว่า คนเรานะแม้ก็บอกแม้มองไม่เห็นฝั่งนะก็ต้องทําความเพียรมังน้ำมือไม่คลาก็ถามว่าเราทำไปทําไมในเมื่อก็มีหวังว่าจะต้องตายพระมหาชลก็ตอบว่าบุคคลนะเมื่อเมื่อมีความเพียรแม้จะแม้จะไม่ประสบความสําเร็จ แม้จะต้องตายก็จะไม่มีใครตำหนิได้เทวดาและมนุษย์ก็ไม่สามารถครหาได้เมื่อเห็นประโยชน์ความเพียรแล้วนะทำอย่างที่สุดแล้วไม่ว่าจะประ ส, ระสบผลสำเร็จหรือไม่ผลแห่งความเพียร น, นั้นย่อมประจักษ์แต่ตนนะอันนี้พระมาาชลเป็นตัวอย่างคนที่เราว่าให้คุณค่ากับความเพียรมากกว่าความสำเร็จ สำเร็จหรือไม่ไม่สำคัญทั้ว่าทําเต็มที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่ต้องทําเต็มที่สําเร็จหรือไม่สําเร็จนั่นอีกเรื่องห น, นึ่งเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียเซลฟ์เลยและเราจะไม่สําเร็จแต่เรากลับจะภูมิใจด้ซ้ําเพราะเราได้ทําความเพียรอันนี้อาจะฝากไว้เพราะพวกเราเนี่ยอาจจะต้องประสบกับความล้มเหลวหลายครั้งแล้วครั้งเล่ามว่าเรื่องการเรียนหรือเรื่องการทํางนาน แต่อย่าท้ออย่ารู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ค่าเพราะค่าของคนเนี่ยค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของการงานนะค่าของคนอยู่ที่ความเพียรถึงแม้ผลของการงานจะไม่สำเร็จแต่ถ้าทำความเพียรในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำอันนั้นก็เป็นก็ถือว่าเราได้คุ้มค่าสมควรกับ ก, การเกิดมาเป็นมนุษย์นะประการที่3มเนี่ยคือคิด ถูกคิดเป็นคิดอย่างนี้ผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลอันนี้สำคัญมากนะคนเราถ้าคิดคิดถูกคิดเป็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประสบความทุกข์แค่ไหนก็ยังมีความสุขได้นะคนพิการมีเด็กมีกคนหนึ่งนะก็ไม่เด็กแล้วแกอายุยี่สิกว่าแนละ้วแกเป็นโรคทรัสซินเมียรโรคทรัสซินเมียคือโรคเลือดนะเป็นโรคเลือด หมอบอกว่าจะตายเมื่ออายุ20เมื่อจะตายก่อนอายุ20่แกก็อายุเกือบ30นะแต่ว่าแกคนอ่อนแอ ม, มาก้อมตัวเล็กแล้วก็ขาหักเป็นประจำเข้าเสือมา14ครั้งนะคนถามว่าแกทุกข์ไหมแกบอกว่าถึงแม่เลือดแกจะมีปัญหาแต่แกยังมีตาไว้เห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกไว้ดมกลิ่นหอมยังมีหูไว้ฟังเสียงไพเราะยังมีปากไว้กินของอร่อยยังมี ร่างกายสามารถเดินไปไหนได้แก่มีความสุขและความสุขก็หายง่ายผายง่ายมากแล้วคนที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนี่ยแต่ทำไมจะมีความสุขได้เพราะเขารู้จักมองรู้จักมองให้เป็นนะมีตาวุฒิหมูล่นกายยังรับสิ่งสวยงามได้แล้วจะทุกไปทำไมใช่ไหมด้วยเหตุนี้ เ, เนี่ยมีคนนึงเนี่ยพิการนะจมูกแขนไม่มีขาไม่มีแต่ว่าก็ยังมีความสุขชื่อโอโมตักโอโตทกเกต แกบอกว่าผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสมนุกทุกวันเราทำงานนะั้นไม่ว่าจะเจอความยากลาบากไม่ว่าจะถูกแคลเปรียบอย่างไรถ้าเราคิดเป็นน้นเราจะไม่ท้อเราจะไม่ทุกข์อาตมาประทับใจเด็กคนหนึ่งนะคือแกแกกับเพื่อนๆเนี่ยไปออกรายการพลเมืองเด็กเมื่อปีที่แล้วเป็นรายการของช่องทีวีไทย เอาเด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มาดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรเด็กสิบสองสบสาขวบมีคราวนึงเด็กคนนี้เนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเขาไปได้รับมอบหมายให้ไปขนของคุ้รถไฟรถฟาร์มก็มีเวลาออกที่แน่นอนก็ต้องช่วยกันขนวันนั้นปรากฏว่าสมจิตรงจอหอเนี่ยพวกเรารู้จักใช่ั้ยถ่ายท่อเพื่อนสองคนเป็นผู้ชายก็เลยทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ เขาปอยให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยขนของพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งเราไปทิ้ ง, ท, งทิ้งงานที่เราทำํำแกก็บอกว่าก็เข้าใจเขาเพราเขาอยากจะดูนะอยากเขาเป็นแฟนสมจิตพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยจี้อีกว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะไปด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวเธอตอบดีนะเธ อ, อตอบว่า หนูขนของขึ้ไรถไ ห, hmm. หนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหน hmm. ู yeah. ไปโกรธไปด so ่าว่าเขาหนูก right> ็เหนื่อยสองอย่างนะตกลงหนูเลอกโกรธอย่างเดียวแต่หนูเลือกเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายถ้าเราคิดไม่เป็นนะเราก็จะเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมทำไมมันทิ้งงานที่กูทำแตไมันเอาเปรียบกูใช่ไหมเนี่ยเราเหนื่อยสองอย่างแล้วถ้าเราคิดเป็นคิดมีเหตนมผลนะเราจะเหนื่อยสองอย่างไปทาไมคนฉลาดก็ต้องเหนื่อยอย่างเดียวสิ นะแล้วเธอก็เลือกเหนื่อยอย่างเดียวไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าของหายเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะทุกอย่างเดียวหรือทุกสองอย่างของหายแล้วใจหายด้วยไหมป่วยกายแล้วทําไมต้องให้ใจป่วยด้วยถ้าคนที่ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจอันนี้เรียกว่าทุกสองอย่างต้องเรียกว่าคิดแบบไม่เป็นประโยชน์เกลื่อกูลหรือคนที่ทำงานไปก็บ่นเพื่อนไปด่าเพื่อนไปอันนี้ก็เรียกว่า คิดไม่เป็นประโยชน์ตัวกูนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะย้ำอีกทีน่ะเรื่องสุขแท้ด้วยปัญญาสีประการนี้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้กับตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความสุขแม้ว่าสิ่งรอบตัวแม้ว่าอะไรอะไรจะไม่เป็นใจก็สุขได้แม้ว่าจะเจ็บป่วยงานไม่สําเร็จนะถูกตำหนินะของหายแล้วก็ยังมีความสุขได้นะนี่เรียกว่าสุขสวนกระแสกระแสมันจะเป็นยางไร แต่จะร้อนอากาศจะหนาล้วก็สุขได้เพราะเราสามารถจะเข้าถึงสุดท้ายด้วยปัญญาแต่ในสุดท้ายที่อยากจะย้ำก็คือว่าพวกเราก็ได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเราใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันท้าทายคือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ทําการเพื่อนเมื่อเราได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าเมื่อเรากลับไปอยู่บ้านคนเดียวกลับไปชุมชมของเราคนเดียวกลับไปสู่สิ่งเมื่อเร่อเก่า อนนี้สายความเคยชินเก่าๆก็จะกลับคืนมาความรู้สึกเห็นแก่ตูวความรู้สึกจมอยู่ในความทุกข์ไม่เห็นคุณค่าตัวเองจะก็จะกลับมาอันนี้แหละที่เราต้องต้องพยายามที่จะลื้อฟืน้นนะพยายามหาเพื่อนที่คอเดียวกันที่คุยกันรู้เรื่องนะเพื่อนเนี่ยที่ภาษาผู้เลือกการเรียนน้มินเนี่ยจะช่วยทําให้เราเมีความสุขทำให้เรามีสามารถที่จะตั้งหลักได้และสามารถที่เราทําให้เราตั้งมั่นอยู่ในความ ถุกท้ด้วยปัญญาได้แล้วก็รู้จักนะหัดคิดอยู่เสมอนะพยายามที่จะเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์ของเราเรียนรู้จักทุกอย่างที่เกิดขึ้นมองแง่ดีทุกอย่างก็กลายเป็นดีได้และที่สำคัญคือว่าอย่าลืมอยู่กับตัวเองบ้างนะอย่าลืมอยู่กับตัวเองบ้างถ้าเราอยู่กับตัวได้มีเราใข้ควรวญนะ ได้เห็นได้เห็นตัวเองในมุมที่ลึกซึ้งอย่างที่ได้พูดมาตอนต้นแล้วเนี่ยเราจะมีกําลังที่จะทวนกระแสทวนกระแสะความเคยชินทวนกระแสะที่ส่งเสริมให้เราสุขทางวัตถุก็นะกอย่าดีฝากเอาไว้น ะ, ะเท่านี้นะก็เราจะต้องแย ก, แยกจากกันไปแล้วในทุกสุวนนี้ก็ขออานวยอวยพรให้ทุกคนนะได้ประสบกับความสุข มีอายุวันนัสุขาภละเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทําความดีสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและจะมีอุปสรรคเทียงใดก็ขอให้ผ่านพ้นความสําเร็จนั้นได้ด้วยปัญญาแม้ว่าจะมีสิ่งมากระทบใจเทียงใดก็สามารถเข้าถึงความสุขได้เพราะผู้ที่มีปัญญานั้นแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบและขอให้สิ่งที่เราทํานั้นได้กระจายเปลือกแผ่ไปอย่างผู้ที่เรารักเพื่อน สนิทมิสหายเพื่อที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนมีความสุขด้วยปัญญาขอทุกคนมีกำลังใจในการทำความดีเหล่านี้และให้มีความสุขด้วยกันทุกคนเทิด